พระพุทธเจ้าสงสอนให้ชาวพุทธเราให้หัดเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอัตโนนาโถเพราะว่าเป็นที่พึ่งที่วิเศษที่สุดพอจะเป็นที่พึ่งของเราไปได้ตลอดถ้าเราพึ่งสิ่งอื่นพึ่งผู้อื่นไม่ช้าก็เร็ว ก็จะต้องพึ่งเขาไม่ได้เพราะจะต้องมีการพลาดพลาดจากกัน อ, อพอเราเคยพึ่งผู้อื่นพอเวลาที่เขาจากไปเราก็จะไม่มีที่พึ่ง เ, ออเราก็จะลําบากเราก็จะเดือดร้อนเอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเรามาหัด ส, สร้างที่พึ่งในตัวเราดีกว่าพึ่งตัวเราดีกว่าดีกว่าไปพึ่งคนอื่นดีกว่าไปพึ่งสิ่งอื่นเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรไม่มีวันสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการสิ้นสุดลงมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดานั่นเอง ถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นคนทุกกันเพราะตอนที่เขาขาดที่พึ่งนั่นเองความทุกข์เกิดจากการที่ไม่มีที่พึ่งเพราะไม่ไม่รู้จักสร้างที่พึ่งที่ไม่มีวันจากเราไปก็คือเรานี่แหละเราจะอยู่กับเราไปตลอดเราจะไม่มีวันจากเราไป แต่คนอื่นสิ่งอื่นไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องจากเราไปดังนั้นเป้าหมายชีวิตของพระพุทธศาสนาก็คือสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้ให้มาเป็นที่พึ่งของตนให้ได้ที่พึ่งนี้ก็มีสองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือที่พึ่งทางร่างกาย ส่วนที่สองคือที่พึ่งทางจิตใจร่างกายก็ต้องการที่พึ่งคือปัจจัยสี่ต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งหม่มต้องการยารักษาโรคต้องการที่อยู่อาศัยจิตใจก็ต้องการที่พึ่งเหมือนกันต้องการความสงบเป็นที่พึ่งถ้าใจมีความสงบ ใจจะปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆถ้าร่างกายมีปัจจัยสี่ร่างกายก็จะปลอดภัยจากความทุกข์ทางร่างกายดังนั้นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเราต้องสร้างที่พึ่งเหล่านี้ขึ้นมาด้วยตนเองให้ได้เพราะถ้าเราสร้างที่พึ่งเหล่านี้ด้วยตนเองได้แล้วเราก็จะสามารถ สร้างไปได้เรื่อยๆมีไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่รู้จักสร้างที่พึ่งเราอาศัยคนอื่นมาคอยสร้างให้เราพอเขาหยุดสร้างเขาไม่มาสร้างให้เราเราก็จะไม่มีที่พึ่งทางร่างกายนี้ในเบื้องต้นเราก็ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นที่พึ่งไปก่อนเพราะว่า ตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆออกมาจากท้องแม่นี่เรายัางไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้ร่างกายเรายัางเล็กเกินไปยังไม่สามารถที่จะหาอาหารหาเครื่องนุ่งหม่มหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคได้เองเราก็เลยต้องพึ่งพาพ่อแม่ไปก่อน พ, พ่อแม่ก็จะ คอยหาอาหารหาเครื่องนุ่งหม่มหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคให้กับพวกเราพ่อแม่จึงมีพระคุณอย่างมากกับพวกเราเพราะว่าถ้าขาดพ่อแม่แล้วเราจะไม่สามารถอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเกิดคลอดออกมาแล้วแม่บอกว่าเอาไปทิ้งถังขยะดีกว่า เราก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่พ่อแม่ก็พยายามคันฝ่าอุปสรรคความยากต่างๆความลำบากต่างๆเพื่อเลี้ยงดูร่างกายของลูกให้เจริญเติบโตขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของตนเองต่อไปพอร่างกายเจริญเติบโตพ่อแม่ก็ยังต้องส่งไปโรงเรียน ไปหาวิชาความรู้ต่างๆเพราะการจะหาปัจจัยสี่ในโลกนี้ต้องอาศัยการมีความรู้ถ้ามีความรู้มากก็จะสามารถหาได้ง่ายหาได้มากถ้ามีความรู้น้อยก็จะหาได้ยากหาได้น้อยดังนั้นท่านตน้นพ่อแม่จึงต้องส่ง ลูกๆไปโรงเรียนกันสมัยนี้เรียนตั้งแต่ก่อนอนุบาลให้อายุสามขวบก็รีบส่งไปโรงเรียนให้รู้จักหัดพึ่งตนเองให้หาความรู้แล้วก็เรียนส่งไปจนถึงจบปริญญาพอจบปริญญาแล้วทีนี้ลูกๆ ก, ก็มีความพร้อมที่จะพึ่งตนเอง สามารถที่จะไปหางานทำได้มีงานทำก็จะมีรายได้มีรายได้มาจนเจือมาหาปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายอันนี้เป็นเรื่องที่พึ่งทางร่างกายที่ส่วนใหญ่คนเราสมัยนี้ก็ ทำกันเองเอนอกจากพวกคนที่จะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายก็ตามมีผู้มาอุปธรรมเช่นมีสามีาหรือมีภรรยามาคอยอุปธปรมรมเลี้ยงดูให้เพราะความเสน่ห า, าในร่างกายของเราหรือพ่อแม่บางคน ก็รักลูกแบบสุดๆไม่อยากจะให้ลูกลำบากก็เลี้ยงดูลูกทุกอย่างโตขนาดไหนก็ยังเหมือนเด็กอยู่ยังถ้าถ้าได้รับผู้มีพระคุณแบบนี้ก็อาจจะกลายเป็นโทษตามมาทีหลังเพราะว่าผู้มีพระคุณเหล่านี้ไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากไป แล้วถ้าคอยอาศัยเขาเป็นผู้เลี้ยงดูอยู่พอเวลาเขาจากไปก็จะลำบากลูกศิษย์ลูกหาบางคนเนี่ยที่ทคอยเห็นพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างดีไม่ต้องไปทำงานทำการหาสามีให้อย่างดีสามีก็เลี้ยงดูอย่างดี วันหนึ่งสามีก็ไปเจออุบัติเหตุตายไปทีนี้ก็ไม่รู้จักหาเงินเองไม่รู้จักทํางานทําการเพราะตอนที่เป็นเด็กก็สายพ่อแม่พอโตอขึ้นก็แต่งงานก็ได้สามีที่คอยเลี้ยงดูต่อตัวเองเลยไม่ต้องทํางานทําการเลยไม่รู้จักหาเงินหาทอง รู้แต่ใช้เงินใช้ทองพอผู้ที่เคยเลี้ยงดูตายจากไปทีนี้ก็ไม่รู้จักหาเงินรู้แต่ใช้เงิน응เงินที่มีอยู่ก็จะล่อยหลอลงไปเรื่อยๆจน응ในที่สุดก็จะเดือดร้อน응응ก็บางทีเคยมี ผู้ประทัก็อาจจะไปหาผู้อุปถัมภ์ใหม่ก็ได้แต่ไม่ว่าจะหามาได้กี่คนก็ตามไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปอยู่ดีนี่ไม่ใช่วิธีที่จะเลียงดูชีวิตของตอนเองด้วยการพึ่งผู้อื่นถ้าจำเป็นจริงๆถ้าพึ่งตนเองไม่ได้ก็ พึ่งผู้อื่นไปก่อนเพื่อที่จะได้ให้ตนเองมีกำลังวังชามีความสามารถพึ่งตนเองต่อไปได้อย่างงอมืองอเท้ารอความรอรับความช่วยเหลือจากผู้อืน่นเพราะความช่วยเหลือของผู้อื่นนี้จะต้องมีวันสิ้นสุดลงไม่ช้าก็เร็ว น, นี่คือเรื่องของการมีที่ทำให้ตนเองมีที่พึ่งเพราะถ้าเราสามารถที่จะทำมาหากินรหาเงิ น, ห า, นหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเ่าได้เราก็จะสามารถหาไปได้เรื่อยๆและจะมีความสามารถที่ในการเก็บออมด้วยเผื่อวันอนาคตข้างหน้า ที่ร่างกายอาจจะแก่ลงอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะพิกลพิการหรืออาจจะตกงานไม่มีรายได้อย่าประมาทชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนตอนนี้เราอาจจะคิดว่าทุกอย่างทุกมทุกอย่างที่เราต้องการไหลามาเทมา จะคิดว่าจะไหลมาเทมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันมีการเปลี่ยนแปลงได้คนที่เคยมีงานก็ตกงานได้คนที่รวยเคยรวยก็จนได้ถ้าไม่ถ้าไม่คิดไวล่วงหน้าก่อนเดี๋ยวเกิดเวลาตกงานหรือเกิดยากจนขึ้นมาเนี่ยจะทุกข์ทรมานใจมาก น่าอาจจะคิดค่าตัวตายไปก็มีแต่ถ้าเราคิดอยู่เสมอว่าเราต้องเป็นที่พึ่งของเราใครจะมาช่วยเราเราก็ยินดีแต่เราจะไม่อาศัยเขาไม่ปฏิเสธไม่ไม่คือถ้าเขาให้เขามาช่วยเหลือด้วยความเมตตาด้วยความเป็นมิตรไมตรีจิตไม่มี ข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขไม่มีการเรียกร้องอะไรเป็นสิ่งตอบแทนเราก็รับไปก็ได้ตอบสนองความศรัทธาความเมตตาของเขาฉลองฉลองเสียศรัทธาของเขาไปแต่เราจะไม่หวังพึ่งเขาไปเรื่อยๆเพราะเรารู้ว่าวันใดวันหนึ่งเขาก็คงจะไม่มาช่วยเหลือเรา ถ้าใครอยากจะช่วยเหลือถ้ามันไม่มีความเสียหายในการรับความช่วยเหลือก็รับไปเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะช่วยให้เขาได้ทําบุญก็ได้เขาเห็นเราลําบากเขาอยากจะช่วยเราให้เราสบายขึ้นเราก็อย่าไปถือตัวจนเกินไปะ อย่าไปปฏิเสธความไม่ตีจิตของผู้อื่นแต่ก็อย่าไปหวังไม่ตีจิตของผู้อื่นด้เช่นเดียวกันคือให้ยินดีตามมีตามเกิดที่เรียกว่ามักเนาะสันโดษสันโดษคือความยินดีเพราดีการมีมิตรนี่ดีกว่าการมีศัตรูนั่นเองถ้าเราปฏิเสธความหวังดีของเขาเขาอาจจะเกิดความเสียใจ แล้วเขาอาจจะไม่อยากจะเป็นมิตรกับเราก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะพบจะเจอกันในชีวิตแต่อย่าไปหวังเป็นที่พึ่งอย่างถาวรก็แล้วกันที่พึ่งที่ถาวรก็คือเราตัวเราร่างกายเราก็เป็นที่พึ่งจนกว่ามันจะพึ่งไม่ได้ เช่นถ้าต่อไปเราแก่เราจะเจ็บเราก็อาศัยเงินที่เราเก็บออมไว้เป็นที่พึ่งถ้าเงินที่เก็บออมหมดก็เตรียมตัวตายได้ถือว่าเราหมดที่พึ่งแล้วทางร่างกายเราก็ทำได้เต็มที่เท่านี้ชีวิตเรื่องของร่างกายมันก็เป็นเท่านี้มันก็มีที่สิ้นสุดลง แต่เราจะไม่ต้องทุกข์กับความสิ้นสุดลงของร่างกายได้ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางร่างกายเราก็ทำไปพึ่งไปส่วนที่พึ่งทางใจเราก็ต้องมาสร้างขึ้นมาอีกการหนึ่งที่พึ่งทางใจที่จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ทุกข์ไม่ไม่เดือดร้อนกับ ความทุกข์ทางร่างกายต่อไปร่างกายของเราก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายอาจจะมีที่พึ่งบ้างอาจจะไม่มีที่พึ่งบ้างแต่ถ้าใจเรามีที่พึ่งใจเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความความทุกข์ยากลาบากของร่างกายเราก็จะดูแลร่างกายไปตามเท่าที่เราจะดูแลได้ เมื่อมันไม่อยู่ในฐานะที่เราจะทำอะไรให้กับมันได้ก็ต้องปล่อยมันเป็นไปตามบุญตามกรรมไปแต่ใจของเราจะไม่ทุกข์ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจก็คือความสงบของใจนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งของใจไปได้ตลอดถ้าใจมีความสงบแล้ว ใจจะมีความสุขมากความทุกข์ต่างๆจะไม่สามารถเข้ามาในใจได้ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ทางร่างกายก็ดีหรือทุกข์ทางใจเองก็ดีถ้าใจมีความสงบมีธรรมที่คอยรักษาความสงบนี่จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้เลย อันนี้เป็นที่พึ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีที่พึ่งทางร่างกายแต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจร่างกายอยู่สุขสบายแต่ใจของเราก็ยังทุกข์ได้ต่อให้ร่างกายมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเป็นมหาเศรษฐี ใจก็ยังทุกได้เพราะการเป็นมหาเศรษฐีความร่ํารวยนี้ไม่ได้เป็นเครื่องที่จะทําให้ใจพ้นทุกได้คนรวยนี่ยังทุกได้แต่คนที่มีความสงบนี้ไม่ทุกอันนี้เป็นตัวเป็นที่พึ่งอีกที่พึ่งหนึ่งก็ที่พึ่งทางใจ เราทุกคนนี้มีศักยภาพหรือมีความสามารถที่จะสร้างที่พึ่งทางใจกันได้ถ้าเราได้พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ผู้เป็นผู้เป็นที่พึ่งทางใจของตนเองมาก่อนพระพุทธเจ้านี้เป็นที่พึ่งมีที่พึ่งทางใจ ด้วยพระ อ, องค์เองพออระลานตสาวก็มีที่พึ่งทางใจด้วยตนเองสามารถทำใจให้สงบให้มีความสุขได้ตลอดเวลาเมื่อท่านรู้จักวิธีรักษาใจให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความสงบท่านก็สามารถที่จะสอนผู้อื่นได้ ถ้าผู้อื่นอยากจะเรียนรู้ก็ต้องไปเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้เท่านั้นราอบุคคลอื่นบุคคลอื่นนี้ไม่มีใครรู้วิธีที่จะสร้างที่พึ่งทางใจกันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่รู้จักวิธีสร้างที่พึ่งทางใจดังนั้นในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่เป็นที่พึ่งทางใจของเราเอง ถ้าเรายังไม่สามารถทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขได้ตลอดเวลาเราก็ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไปก่อนที่พึ่งในที่นี้หมายถึงเป็นผู้สั่งสอนนั่นเองสารณะในพระพุทธศาสนานี้แปลว่าที่พึ่งทางวิชาความรู้ทางธรรม ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอย่างที่เราอาจจะคิดกันสมัยนี้ความเข้าใจในที่พึ่งทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้อาจจะคลาดเคลื่อนไปไปคิดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาร่างกายทรัพย์สมบัติหรือจิตใจให้แควคาดปลอดภัยจากความจากภัยต่างๆได้ ความจริงป้องกันไม่ได้เลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเพียงผู้สอนผู้บอกวิธีสร้างที่พึ่งทางใจเพื่อมาป้องกันใจเราเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เรากลับไปเอาพระพุทธรูปมากาบไหว้บูชามาห้อยคอแล้วก็มาอธิษฐานจิตขอให้คุ้มครองรักษา อันนี้เป็นความเข้าใจผิดนี่ไม่ใช่สาระที่พึ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระที่พึ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นก็คือให้ความรู้กับเราให้ความรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่จะสร้างความสุขต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาในใจดังนั้นการจะมีพระ ห้อยคอหรือไม่มีพระพุทธรูปตั้งอยู่ในบ้านหรือไม่นี้ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าพูดตามหลักของสาณ ะ, ะที่เพิ่งทางใจเพราะพระที่ห้อยคอก็ไม่สามารถสอนธรรมะให้กับเราได้ออพระพุทธรูปที่เราปฏิสถานอยู่ในบ้านก็ไม่สามารถสอนธรรมะให้กับเราได้ดังนัออ้นเราขอให้เราเข้าใจ ให้ถูกต้องเราจะได้ไม่หลงงมงายสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ยยโตมาโหฬารทำวัตถุมงคลต่างๆมามาแจกมาจ่ายมาขายกันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสรณะไม่ได้เป็นทีพึง่งไม่ได้มาทำให้ใจของเรานี้ ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจได้มีพระพุทธรูปกี่รูปมีกี่องค์ในบ้านกี่รูปในวัดมากราบพระพุทธรูปกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งก็ไม่ทำให้ความทุกข์ในใจของเราหายไปได้ไม่สามารถปกป้องความทุกข์ไม่ให้เข้ามาในใจของเราได้วิธีที่จะทำให้พระพุทธ ไม่ให้มีความทุกข์เข้ามาในใจก็คือต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคำสอนหรือจากพระอริยสัสงสาวกว่าวิธีทาใจของเราไม่ให้ทุกข์นั้นทำอย่างไรนะไม่มีใครในโลกนี้จะสอนเราได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นตอนนี้พระพุทธก็จากเราไปแล้ว ก็เหลือพระธรรมกับพระอริยสงสารกที่มาทำหน้าที่แทนการที่เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาณานี้ก็คือถือให้ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์นั่นเองอการที่จะถือให้ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ถืออย่างไรก็ต้องไปศึกษาจากท่า น, นสิถ้าถือแล้วไม่ไปศึกษามันก็เหมือนกับไม่ได้ถื อ, อถือว่าท่านเป็นครู แต่ไม่เคยไปเรียนจากครูเลยแล้วท่านจะเป็นครูเราได้อย่างไรถ้าเราอยากจะถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็ต้องไปร่ำเรียนจากท่านตอนนี้ก็มีอยู่สองที่ที่เราร่ำเรียนจากพระพุทธจากพระธรรมพระสงฆ์ได้คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้สรงสั่งสอนในขณะที่มีชีวิตอยู่ ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันนี่พระพุทธเจ้าทำหน้าที่เป็นสาณะให้แก่ชาวพุทธเรามาตลอดด้วยการสั่งสอนธรรมะทุกวันพุทธกิจห้าของพระพุทธเจ้านี้มีอะไรบ้างมีหนึ่งเช้าออกบิณฑบาตตอนบ่ายสอนธรรมะให้แก่ศรัทธาญาติโยม ตอนค่าสอนธรรมะให้แ ก, ภก่ภิกษุภิกษุณีตอนดึกสอนธรรมะให้แก่เทวดาตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินธบาต ท, ทรงเรงยานดูว่าวันนี้จะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษนี่แหละคือหน้าที่ของสาลาของพระศ า, าสดาก็คือเป็นอาจารย์ให้คําสั่งคําสอน แก่ลูกสิทธิ์ลูกหานั่นเองพระพุทธเจ้าทําหน้าที่นี้มา45ปีด้วยกันคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีมากมายที่บรรจุไว้ในพระไตรปิฎกนี้ก็มีถึง 84,000 ธรรมขันธ์หรือธรรมบทนีมีธรรมะ 84,000 บทด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปี พระภิกษุที่มาบวชเมื่อได้บวชแล้วก็มาศึกษาคำสั่งคำสอนเหล่านี้ด้วยการจดด้วยการจําท่องกันไว้เป็นบทสวดมนต์กันขึ้นมาบทสวดมนต์ต่างๆที่เราสวดกันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าท้งนั้นสอนให้เราปฏิบัติตอนให้เป็นที่พึ่งของตนให้ ทำให้ไม่มีความทุกข์ต่างๆเข้ามาเบียดเบียนจิตใจนี่คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีถึง8ปดมืสี่พันธรรมบทก็ตามแต่คำสอนนี้มีรสเดียวกันเหมือนน้ำในทะเลในน้ำในมหาสมุทรที่มีมากมายก่ายกอง แต่น้ำในทะเลน้นำในมหาสมุทรนี้มีรสชาติอันเดียวเหมือนกันคือรสของความเข็มธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้ก็สอนเรื่องการดับทุกข์ทั้งนั้นสอนวิธีดับทุกข์นี่แหละคือสาระที่พึ่งทางใจของพวกเราคือครูอาจารย์ ดังนั้นการที่เราจะศึกษาจากธรรมะในพระไตรปิฎกอันนี้ก็เท่ากับเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจาได้มีการบันทึกไว้เหมือนสมัยนี้เรายังสามารถฟังเทศน์ฟังธรรมของครูบาอาจารย์ที่จากพวกเราไปแล้วได้เพราะเรามีเครื่องบันทึกเสียง อันนี้ก็เหมือนกันคำสอนที่บันทึกในที่บรรจุไว้ในพระไตรปิฎกนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนๆไม่มีคำสอนของผู้อื่นแจกเข้ามาทุกคำสอนนี้สอนเพื่อให้เรารู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจของเรานั่นเองนะดังนั้นถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปแล้วก็ตาม สองพันห้าร้อยกว่าปีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่กับพวกเราตัวของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือคำสอนนี้เองไม่ใช่ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือของคาสอนพระพุทธเจ้าแสดงจะสอนได้ต้องมีร่างกายแต่สิ่งที่พระเจ้าสอนนี้ไม่ใช่ มาจากร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายแต่มาจากใจของพระพุทธเจ้านะบดังนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมได้เห็นธรรมก็เท่ากับเราได้ได้เห็นพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ผู้ที่เห็นเราก็คือผู้ที่เห็นธรรมถ้าเราอยากจะเจอพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียอ ไม่มีเงินทองไม่ต้องไปประเทศอินเดียไปก็ไม่เจออยู่ดีที่ประเทศอินเดียไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้ากลายเป็นพระาธาตุไปแล้วบรรจุอยู่ในเจดีพุทธคยาแต่สมัยนี้เราก็มีพระาธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่ในเจดีในประเทศไทยพระปถมเจดีเจดีอันแรกของประเทศไทยเรียกว่าพระปถมเจดี ที่อยู่ที่นครปฐมนี่แต่พระธาตุนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะพระธาตุก็สั่งสอนเราไม่ได้ให้ธรรมะกับเราไม่ได้เพียงแต่เป็นเป็นเป็นคล้ายๆเป็นเครื่องยืนยันว่าครั้งหนึ่งเอยมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ พระพุทธเจ้าที่มีความรู้ความสามารถในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้มาเกิดแล้วในที่สุดก็ได้ตายจากโลกนี้ไปหลังจากที่พระองค์ตายไปแล้วเศษกระดูกบางส่วนก็กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมามเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของพระาธาตุ มีไว้เตือนสติหรือมีไว้เป็นการรับรองยืนยันว่ามีพระพุทธเจ้าจริงพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายที่เราแต่งกันขึ้นมาเป็นคนจริงๆมีเนื้อมีหนังมีอาการสามสิบสองมีที่มาที่ไปมีที่เกิดมีพ่อมีแม่มีประวัติอันดีงามมันสวยงามที่เราควรจะศึกษา เพื่อที่เราจะได้เกิดศรัท ธ, ธาในตัวพระพุทธเจ้าเราจะอยากให้พระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราต่อไป น, นี่คือหน้าที่ของพระาธาตุหรือของพระพุทธรูปต่างๆมีไว้เพื่อเสริ ม, ส ร, มสร้างศรัท ธ, ธาให้แก่ผู้ที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าให้ได้รู้จักให้ได้เกิดศรัท ธ, ธาอยากจะ สมัครตนเองให้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เรียนรู้ธรรมะอันประเสริฐจากพระพุทธเจ้าแต่การที่เราจะเรียนรู้ธรรมะจากพระพุทธเจ้านี้เราต้องไปที่พระธรรมที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือไปศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวกที่มีที่ได้ตัดสรู้ได้บรรลุธรรมเหมือนกับพระพุทธเจ้า ได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมที่กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของตอนเองพระอริยสองสาวกนี่ทุกรูปได้กำจัดความทุกข์ต่างๆหมดสิ้นไปจากใจแล้วเป็นพาาาระอรหันตาสาวกขึ้นมาตามลำดับเป็นที่ เป็นผู้ที่จะสามารถสั่งสอนแทนพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นการที่เราจะมีสรณะมีที่พึ่งก็คือเราต้องไปศึกษาจากพระธรรมคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกทำไมต้องเอาแต่ในพระไตรปิฎก เพรจะมาถ้ามาจากที่อื่นนี้ไม่มีใครรับรองว่าเป็นทำแท้หรือทำปลอมเน้นต้องเอาจากแหล่งที่มีการรับรองมาทุกยุคทุกสมัยพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้มีการรับรองมาตั้งแต่สามเดือนแรกที่พระพุทธเจ้าจากไปนี่ หลังจากพระพุทธเจ้าจากไปสามเดือนพระอาหันต์ตัสาวกห้าร้อยรูปก็มาประชุมกันมาสังขยาณาพระธรรมคําคสอนต่างๆที่มีคนจดที่มีพระจดจํากันไว้มาทบทวนกันว่าถูกไหมเนี่ยมีพระอราหันต์ห้าร้อรูปคอยตรวจคอยเช็คว่าตามเป็นตามที่พระพุทธเจ้าพูดหรือไม่หรือเป็นตามความเป็นจริงหรือไม่ เพราะว่าพระอาหารหันต์นี่ท่านรู้ว่าอะไรจริงไม่จริงเหมือนคนที่ขายทองนี่เขารู้ว่าทองเกท๊ทองแท้เป็นอย่างไรท่านใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีการตรวจตารับลองมาเป็นระยะระยะสามเดือนแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากไปพระอาารลันห้าร้อยลูกก็ประชุมกันไม่รู้กี่เดือนไม่กี่วัน ประชุมกันแล้วก็ทบทวนคําสอนตั้งแต่คำสอนบทแรกคือปฐมเทศนาธรรมจากกัปวัตตนสูตรไล่มาเป็นอนัตตลกขนะสูตรไล่มาเป็นมงค ล, ลสูตรเป็นสติปัฏฐานสูตรการละมาสูตรสูตรอะไรต่างๆเหล่านี้ได้รับการรับรองจากพระอาจันย์ห้าร้อยลูก ว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ น, นี่คือพระไตรปิฎกที่พวกเราสามารถยึดถือเป็นครูเป็นอาจารย์แทนพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราไม่รู้จักพระอริยสงสาวกเราก็เอาพระไตรปิฎกนี้เป็นครูเป็นอาจารย์ไปก่อนพระไตรปิฎกนี้มีเต็มไปหมด เดี๋ยวนี้มีการเผยแผ่เป็นหลายภาษาด้วยกันภาษาต่างประเทศก็มีจึงทำให้เดี๋ยวนี้มีชาวต่างประเทศมาบวชเป็นพระกันได้เพราะมีการแปลพระไตรปิฎกจากต้นฉบับคือภาษาบาลีให้ไปเป็นภาษาต่างๆเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน ชาวต่างประเทศที่ไม่เคยรู้จักคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้ยินได้ฝังคําสั่งคําสอนพอได้ศึกษาแล้วก็เกิดศรัทธาอยากจะปฏิบัติก็ต้องไปหาแหล่งที่มีการปฏิบัติเพราะว่าต่างประเทศนี้เป็นเหมือนเพิ่งเริ่มก่อตั้งพุทธศาสนาขึ้นมา ยังไม่มีสำนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็เลยต้องมาทางประเทศไทยประเทศศรีลังการหรือประเทศอินเดียส่วนใหญ่มักจะมาที่ประเทศไทยกันเพราะประเทศไทยนี้ถือว่าเป็นแหล่งแหล่งใหญ่ที่สุดของการปฏิบัติธรรมเพราะนอกจากการศึกษาแล้วต้องนำเอาไปปฏิบัติต่อผลถึงจะปรากฏขึ้นมานั่นเอง ศึกษาเพีงอย่างเดียวว่าวิธีทำให้ความทุกข์หายไปทำอย่างไรวิธีทำใจให้สงบทำอย่างไรแต่ถ้าไม่ไปปฏิบัติก็ยังไม่เกิดผลขึ้นมา <c oughs> อย่างนั้นก็ต้องมีสำนักปฏิบัติกันเพราะว่าสำนักปฏิบัติก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยต้องมหาถ้าอยากจะเรียนจบปริญญาก็ต้องไปเรียนตามมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ต้องมีอุปกรณ์มีสถานที่มีครูมีอาจารย์มีตึกมีอะไรต่างๆสถานที่ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นที่สงบสงดวิเวกที่ห่างไกลจากความวุ่นวายทางโลกห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากผู้คนพลุกพล่าน ในเมืองไทยเรานี้มีวัดปฏิบัติมากรู้สึกว่าจะมากที่สุดในโลกเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาผู้ที่ไปบวชประเทศอื่นไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมาย้ายมาที่ประเทศไทยกันเพราะประเทศไทยนี้มีพร้อมทั้งสถานที่พร้อมทั้งผู้ที่สนับสนุนคือศรัทธาญาติโยมชาวพุทธนี่ ผู้ที่มาบวชนี่แทบจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสีเลยมีศรัทธายอดโยมพร้อมที่จะสนับส น, นุนเต็มที่จนมากเกินไปเสียได้ซ้ำไปแต่ก็ไม่เสียหายไหลมากไว้ดีกว่าขาดเรียนยอดโยมไม่ต้องกังวลมากเท่าไหร่ไม่เป็นไรขอให้ทำไปเถิยาดโยมก็ได้บุญยิ่งทำมากก็ยิ่งได้มาก ส่วนที่เกินพระก็เอาไปทำบุญต่อทำบุญแทนญาติโยมต่อว่ามีคนยากคนจนคนที่เขาทุกข์ยากลำบากที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งญาติโยมอาจจะไม่รู้จักแต่พระนี้จะรู้จักเพราะคนยากคนจนบางทีก็ต้องมาพึ่งทางวัดเป็นที่พึ่งก็ทำไปทำบุญกับวัดแล้วไม่สูญหายไม่ต้องกลัววัดนี้ พระไม่มีหน้าที่สะสมทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้อะไรมาแบ่งไว้ใช้สำหรับตนเองพอพอเพียงแล้วส่วนเกินก็ยกเอาไปทำบุญต่อ <c oughs> ก็ดูพระตัวอย่างพระอริยะสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านไปสร้างโรงพยาบาลกันสร้างโรงเรียนกัน น้องตาก็ช่วยชาติทำผ้าป่าช่วยชาติทำอะไรประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปนะเงินทองที่ญาติโยมทำมาทุกบาทนี้ไม่สูญถ้าได้ทำบุญกับพระอริยสงฆ์ท่านจะนำมาไปทำประโยชน์ให้กับพวกเราอีกทอดหนึ่งนี่คือแหล่งของการศึกษาและการปฏิบัตินะต้องมีพระพุทธ ต้องมีพระธรรมคําสอนจากพระไตรปิฎกหรือต้องมีพระอริยสงสาวกเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วพอศึกษาแล้วก็ปฏิบัติควบคู่กันไปตอนนี้สมัยนี้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าต้องศึกษาพระไตรปิฎกให้จบเล่มก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติอันนี้เป็นความเข้าใจผิด เพราะการศึกษาเพื่อปฏิบัินี้ศึกษาเพียงครึ่งชั่วโมงสิบนาทีก็เอาไปปฏิบัติได้แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมาศึกษาทั้งพระไตรปิฎกก่อนซึ่งเป็นแบบในสมัยนี้ไปสมัยนี้ทางสงฆ์ก็มีจัดการเรียนแยกออกจากการปฏิบัติไปซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องการเรียนกับการปฏิบัินี้ต้องไปพร้อมๆกัน แต่สมัยนี้แยกกันให้บแบ่งเป็นหลักสูตรปีแรกให้เรียนหลักสูตรนักธรรมตีปีที่สองนักธรรมโทปีที่สามนักธรรมเอกพอเอกแล้วก็ให้ไปเรียนบาลีต่อเรียนภาษาบาลีเพื่อจะได้อนุรักษ์คำสอนที่เป็นภาษาบาลีไว้ต่อไปแ้วก็อนุรักษ์ได้แต่เพียงแต่ตัวอักษร แต่จะไม่รู้จักสาระของตัวอักษรว่าเป็นอย่างไรถ้าไม่นำออกไปปฏิบัติบางทีพอเรียนจบสิบห้าปีหลักสูตรนักธรรมตีโทเอกก็สามปีเรียนบาลีอีกเก้าปีสิบสองปีพอเรียนจบก็ปฏิบัติไม่ไม่ไหวเสียแล้วพอเรียนมาจนกระทั่ง จน ก, กระทั่งไม่เคยปฏิบัติมาเลยก็เลยพอจะปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ออกก็เลยทาหน้าที่สอนบาลีต่อไปทาหน้าที่เป็นครูสอนนักธรรมไปแทนการการเรียนและการสั่งสอนแบบนี้มันเป็นการสั่งสอนตัวอักษรแต่ไม่ใช่เป็นการสั่งสอนตัวจิงของธรรม ตัวจริงของธรรมยังไม่ปรากฏขึ้นมาในใจมีแต่ชื่อของธรรมมีแต่ชื่อธรรมะต่างๆชื่อของกิเลสต่างๆแต่ตัวกิเลสเองตัวธรรมะเองนี่ยังไม่ปรากฏขึ้นมาในใจหรือปรากฏขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะกำจัดมันได้ในกรณีของกิเลสต่างๆที่มีอยู่ในใจการเรียนรู้เฉยๆนี้ไม่มี อำนาจไม่มีพลังที่จะมากำจัดกิเลสต่างๆที่มีอยู่ในใจที่ที่มาสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจได้กิเลสจะตายต้องต้องตายด้วยการปฏิบัติดังนั้นก็อยากจะให้ญาติโยมเข้าใจกันว่าไม่จำเป็นที่ต้องปฏิไม่ต้องเรียนหลักสูตรต่างๆเพียงแต่เรียนให้รู้ว่า ขั้นที่หนึ่งเราต้องทําอะไรแล้วก็นํามาไปทําขั้นที่สองเราต้องทําอะไรเราก็นํามาไปทําเช่นขั้นที่หนึ่งพระพุทธเจ้าบอกให้ทําบุญทําทานมีเงินทองมีข้าวของเงินทองเหลือเฟือออย่าไปเลี้ยงกิเลสอย่าเอาเงินทองไปเลี้ยงกิเลสให้เอาเงินทองไปฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสด้วยการฝืนความอยากของกิเลส กิเลสอยากไปเที่ยวก็เอาเงินไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทำทานอย่างนี้แล้วกิเลสมันตายปฏิบัติได้ทันทีไม่ต้องเรียนมากเรียนนิดเดียวได้แต่ต้องปฏิบัติมากเพราะกิเลสมันเยอะกว่ากิเลสมันจะตายหมดนี่บางทีต้องใช้เวลากันหลายเดือนหลายปี กิเลที่อยากไปเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่มีตัวเดียววันนี้อยากไปเที่ยวเอาเอาเงินไปเที่ยวไปทำบุญเดี๋ยวพวกนี้มันมาอีกแล้วเดี๋ยวอยากจะไปเที่ยวอีกแล้วทุกครั้งนี่มันอยากจะไปเที่ยวถ้ามีเงินไปเที่ยวเอาเงินไปทำบุญหรือเอาเงินทุกครั้งมันอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟยก็เอาไปทำบุญเดินเดินตามห้างเห็นกระเป๋าใ่ออกมาสวยอยากได้ทั้งทั้งที่ไม่รู้มีกี่ใบแล้ว อันนี้ก็เป็นของฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นจะต้องซื้อก็ต้องฆ่ากิเลสฆ่าความอยากซื้อกระเป๋าใบใหม่อยากซื้อลองเท้าคู่ใหม่อยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยนาฬิกงนาฬิกาแหวนเพชรหูต้มหูอะไรต่างๆเครื่องประดับต่างๆของพวกนี้เนะี่ยมันเป็นของกิเลส ช, ชอบเป็นของเลี้ยงกิเลสให้มาสร้างความทุกข์ให้กับเรา เราต้องกำจัดมันทุกครั้งที่มันอยากจะซื้อของเหล่านี้เอาเงินที่เราจะไปใช้ซื้อของเหล่านี้เอาไปทำบุญทาทานใน ห, หมดนะพอไม่มีเงินซื้อมันก็ต่อไปกิเลสมันก็ฝ่อไปเองเออนี่คือการศึกษาและปฏิบัติที่เราสามารถทำควบคู่กันไปได้ออธรรมะของท่าเจ้านี้ถึงมากมายกายกองนี้ให้รูเ้เพียงแค่สามสามธรรมะก็เท่านั้นก็เหลือกินละ ธรรมะข้อที่หนึ่งก็ให้รู้เรื่องการทําบุญทําทานข้อที่สองก็ให้รู้เรื่องรักษาศีลอย่าทําบาปบาปก็มีแค่ห้าข้อนี้สี่ข้อบวกอบายามุกอีกหนึ่งข้อบาปก็คือการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดปรเวณีพูดปดส่วนเดิ่มสุรายาเมานี้ก็เป็นอบายามุกที่จะทําให้การทําบาปง่ายขึ้น เวลาเมาแล้วนี่มันไม่มีสติสตังที่จะคอยยับยั้งจิตใจคิดจะโกหกก็พูดออกมาทันทีคิดจะพูดคำหยาบก็พูดออกมาคิดจะทุบตีคิดที่จะทำร้ายผู้อื่นก็จะทำทันทีถึงต้องแห้ามไม่ให้ดื่มสุราถ้ารู้แค่นี้รู้ห้าข้อแล้วนำมาไปปฏิบัติให้ได้ห้าข้อมันมันไม่ยากเย็นตรงไหน ตอนนี้เรานั่งเฉยๆนี่เราก็มีห้าข้อแล้วตอนนี้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้รักทรัพย์เราไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีเราไม่ได้พูดปดเราไม่ได้ดื่มสุรายาหมาตอนนี้เราก็รักษาศีลกันอยู่แล้ว น, นนี้คือการศึกษาและการปฏิบัตินี้ทําควบคู่ไปแล้วเวลาปฏิบัติถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็มาศึกษาต่อมาเพิ่มเติม ว่าไอ้ศีลข้อนี้เป็นยังไงถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าถ้าไม่รู้ก็ต้องมาถามดูเรื่องศีลข้อประพฤติผิดประเวณีนี่บางทีบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรผิดอะไรไม่ผิดตามหลักของศีลข้อนี้ก็คือการที่เราจะมีร่วมหลับนอนกับใครนี้ต้องเป็นคู่คร อ, องของเราเท่านั้นใจเดียวรักเดียวใจเดียว สามีเดียวภรรยาเดียวออต้องเป็นสามีเป็นภรรยาต้องมีการรับรองของสังคมประเพณีไงประเพณีของสังคมเมื่อคนสองคนจะมาอยู่ร่วมกันเขาก็จัดพิธีทํามั่นก่อนมั่นกันให้รับรู้ว่าต่อไปคนสองคนนี้เขาจะเป็นเจ้าของกันของกันและกัน และเมื่อเขาพร้อมที่จะร่วมห อ, อกันเขาก็จัดการแต่งงานให้แล้วเขาก็จะไปอยู่บ้านของเขาอยู่กันสองคนมาคนอื่นไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวทางเพศกับคนสองคนนี้และคนสองคนนี้ก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับทางเพศกับคนอื่นอีกต่อไปนี่คือเรื่องการประพฤติผิดการประพฤติให้ถูกตามประเพณี อันนี้เราก็เรียนไปปฏิบัติไปไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปเปิดตำราดูหรือไปถามผู้ที่รู้ดูว่าทำอย่างนี้ถูกหรือไม่ผิดหรือไม่นี่แหละคือการศึกษาปฏิบัติมันไปพร้อมๆกันไม่ต้องมาเรียนนักธรรมจำแล้วก็ไปสอบกันพอสอบผ่านแล้วก็ถือว่าจบลืมไปแล้วเพราะแล้วก็ไปเรียนนักธรรมโทรต่อ พอเรียนจบแล้วก็สอบสอบผ่านแล้วก็ลืมแล้วก็ไม่ได้นำอาไปปฏิบัติแต่อย่างใดไม่เกิดประโยชน์สู้เรียนปั๊บแล้วก็ปฏิบัติเลยดีกว่าเนีย่ยวันนี้มาเรียนสามสามระดับระดับแรกก็คือทานระดับที่สองก็คือศีลรักษาศีลห้าก่อนเมื่อรักษาศีลห้าได้ถ้าอยากจะขึ้นระดับที่สามคือภาวนา เกิดไปฝึกสมาธินั่งสมานั่งวิปัสสนาก็ต้องถือศีแปดนะต้องเพิ่มจากศีหน้าไปเป็นศีแปดนะอันนี้เรียนรู้แค่นี้พอละรู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ไปปฏิบัติะส่วนใหญ่มาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วแต่ไม่ก็เห็นปฏิบัติกันเลยหรือไปปฏิบัติที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไปปฏิบัติก็ขออาภัยด้วยแต่พวกที่ไม่ได้ปฏิบัติก็น่าจะลองปฏิบัติดูะ เพราะว่าถ้าเรียนอย่างเดียวไม่ปฏิบัติมันยังไม่เกิดผลแล้วเดี๋ยวไม่นานจะลืมได้แต่ถ้าปฏิบัติ ด, ด้วยนะมันจะไม่ลืมอะไรที่มันเกิดจากการปฏิบัตินี้มันจะไม่ลืมอะไรที่เกิดจากการได้ยินใน้ฟังนี้เดี๋ยวมันลืมนะนี่คือเรื่องราวต่างๆของอการสร้างที่พึ่งทางใจถ้าเราอยากจะมีที่พึ่งทางใจ ให้ใจของเรานี้ปลอดภัยจากความทุกข์ตลอดเวลา24ชั่วโมงและไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องมาสร้างธรรมะกันขึ้นมาในใจสร้างความสงบด้วยการปฏิบัติธรรม3ข้อนี้คือทาทานทำบุญรักษาศีลแล้วก็ภาวนาฝึกธรรมสมาธิฝึกสอนใจให้ฉลาดด้วยปัญญา แล้วต่อไปใจของเรานี้จะสงบจะสุขจะอิ่มจะพออยู่ตลอดเวลาจะไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรจะไม่เดือดร้อนกับอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้โลกนี้จะระเบิดเป็นเสียงไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจร่างกายจะตายร่างกายจะโอดยากขาดแคลร่างกายจะพิกลพิการร่างกายจะเป็นอะไร ใจไม่เดือดร้อนใจมีแต่บำลมมัสุกอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือที่พึ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาด้วยตนเองเพราะถ้าเราให้ค น, คนอื่นสร้างให้เราไม่ได้ที่พึ่งทางใจแม้แต่พระพุทธเจ้าวิเศษขนาดไหนก็มาสร้างที่พึ่งทางใจให้เราไม่ได้เราต้องสร้างเอง เราต้องเป็นที่พึ่งของเราเอง dragon. พอเราเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราก็จะเป็นที่พึ่งของเราไปได้ตลอดเราจะมีที่พึ่งตลอดเพราะเรานี้จะไม่มีวันจากเราไปนั้นเองเราจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเรามีคบุคคลอื่นเป็นที่พึ่ง lime, เดี๋ยวไม่เวลาเขาจากไปเราจะไม่มีที่พึ่งเราจะเดือดร้อนต่อไปจึงขอให้พวกเราพยายาม ทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนให้ได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้วเราจะมีแต่ความสุขเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะไรวหาปูราปะริปุเรนติสักหลังเอวเมวะฮิโตตินังเปตานังอุปกปติย an ิชิตังปะทิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามณิโชติอราโสยถาสัพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขาโยโกภวะภิวาตนาสีลิธสานิจจังวุฒาปจัยยโน จตารโหทรมมาวัานติอายุวโนสุขังภาลาง